ตอนที่สินะคะคก็เหมือนเดิมค่ะคือตอนนี้เรียกว่าท้าพุทธชนหยุดชะ ง, งักนิ่งเพื่อที่จะรอฟังนิทานอย่างสง บ, บนะคะคือพระองค์มาก็ครึ่งทางแล้วนะค ะ, ะคะุณจะหยุดอทั้งหมดนี่32ค่ะมาครึ่งทางแล้วนะคะคซึ่งแต่ละเรื่องก็ก็อย่างที่บอกนะคะว่าให้เขาคิดกับเราเดียอะทีเดียวรเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะปกติพระเจ้าวิกรามาทิตย์ได้ชื่อว่าเป็นมหาคุณีซึ่งแปลว่าผู้มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ นะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมอนันเะลิศนะแล้วก็พระเกียรติยศของพระองค์นี้ก็เกิด่ใกล้ขึ้นมีคนเก่าววันถึงด้วยความรักและความศรัทธาใครที่ทุกข์ยากแค่ไหนก็จะมาถุนขอความช่วยเหลือจากพระองค์แตถ้าเปรียบเทียบกระทางพุทธเราก็คือเป็นพระโพธิสัตว์นะคะคือจะเมตตาช่วยเหลือทุกคนนะคะคือเรียกว่าพระองค์มีอะไรที่จะให้อะไรใครได้พระองค์ก็ให้หมดนะคะแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีด้วยความเต็มพระทัยทุกครั้ง ยิ่งกว่านี้คำแช่ซ้องสาธุการที่ผู้มีความทุกข์ได้ถวายแก่พระองค์เนี่ยก็เป็นที่ทราบซึ่งอ่อนหวานประทับใจกับผู้ได้ฟังคือใครก็ตามที่พูดถึงพระวิกรามาธิศเนี่ยมันชื่นใจคเพราะมีแต่เรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังใครที่ได้กกใกล้ใกล้ชิดก็จะไปเล่าคนนู้นคนนี้ฟังว่าพระวิกรามาทิศเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอ่อน น, อน้อมถ่อมตนอ่อนโยนเป็นที่พึ่งกับคนทั้งหลายนะคะเป็นเป็นคนที่ใจกว้างขวางเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ ส่วนนักลบก็ชื่นชมในความกล้าหาญคื อ, อทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยจะชื่นชมเมื่อได้เข้ามาใกล้ชิดกับทาริกอรมาติครวมทั้งมีพุทธิปัญญาศา ส, สนากิจกรรมคุณธรรมทุกอย่างเลยนะคะคือภาษาสันสกฤตจะใช้คำว่าตายากะคุณ ค, คือเป็นผู้ที่มีเผือ่อความการเผื่อแผ่บแบ่งปันใจกว้างหรือที่เรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าจาระสันสกฤตเรียกว่าตยากะคุณนะคะ คือวก็ยังมีคนกล่าวถึงอีกนะคะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอาจจะต่อสู้กันด้วยพลังอันแข็งแกร่งของตนนกแก้วนกขุนทองก็ผู้ได้แต่คนที่เก่งจริงที่จะนับว่าเป็นบุรุษหรือบัณฑิตคือผู้ที่เผื่อแผ่ให้ทานด้วยความเต็มใจในะคะคือมีแต่ให้และท่านก็กล่าวว่าบางคนเป็นมีระ บ, บุรุษโดยธรรมชาติบางคนก็เป็นวีร บ, บุรุษโดยมีความกรุณาธําเป็นเลิศบุคคลเหล่านี้เนี่ย ก็ยังไม่เท่ากับท้าวพิกรณามาทิตยนะคะคือเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญกลุณาเป็นเลิศที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นความมีจารคะหรือว่าการให้เนี่ยเป็นคุณธรรมอันล้ําเลิศที่พึงสันเสริญ<ๆ>ก็คุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงประมวลเท่าภูเขาลาวกาก็ตามจะมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเรียกว่าการจารคะนั้นเนี่ยหวงผลแต่การจารคะหรือการให้ก้าวพิกรณามาทิตยนะไม่เคยหวังผลให้ด้วยความเมตตายอย่างแท้จริง คุณค่าอันนี้เราก็บอกเป็นคุณธรรมอันล้ำเลิศที่สุดแล้วก็ปราดยกย่องนะคะอันนี้ก็คือเป็นการพูดถึงวิกรละมณฑ์นะคะแล้วก็ข้อสําคัญพระองค์เนี่ยนอกจากจะมีคุณธรรมแล้วยังเป็นคนที่ไม่เยื่ยงจ้องหองนะคะือแล้วว่าเป็นบุรุษสุ ด, สดประเสริฐมีคุณธรรมทั้ง4คือจากะมีวิทยาการมีวิชามีวีรกรรมมีความกล้าหาญมีความอมะทะคือความไม่เยื่ยงจองหอง อยู่ครบถทวนพูดถึงข้อสุดท้ายที่บอกความไม่เย่อหญิงจองหงนี่เป็นเรื่องยากไหมฮะอาจารย์ครับบางคนนี่ให้คนเยอะนะครับหลักวิชาการสูงอยู่สูงปั๊บหลายคนบอกคนเนี้เยื่อหญิงจองหงค่ะรู้สึกมันสวนทางกันนะค่ะคืออันนี้ไม่เลงเป็เสมอต้นเสมอปลายเป็นยังไงย่างงั้นครับนะคะเหมือนเดิมทีนี้คุณธรรมของจริงพอเสียงล่ำลือที่แอนพูดมายาวยืดหนาทีเต็มเนี่ยนะคะ ปรากฏว่าพระราชาพราะองค์หนึ่งเนี่ยได้ฟังมีจิตลิสยาทนฟังไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็บอกนี่นี่ที่พูดพูดกันเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าศิ ล, ลปินทั้งหลายเนี่ยมาขับลำนำสรรเสริญแต่พระเจ้าวิกรมารากาเท่านั้นคนอื่นไม่มีใครจะเท่าเทียม้วหรือ mm. ขีตศิ ล, ลปินก็กราบทูลว่าพระราชาไม่มีราชาองค์ไหนในสามโลกจะทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางเป็นผู้อุปการละผู้อื่น โดยไม่เลือกหน้าเป็นผู้ที่มีความเพียรเป็นผู้ที่ความกล้าหาญไม่มีเสมอด้วยพระเจ้าวิกรมาทิตย์อืครับคือผูดง่ายต้องเป็นที่ยอมรับแหละเพราะว่าท่านท้าววิกรมาทิตย์เนี่ยท่านปฏิบัติมาจนทุกคนทั้งหมดรู้แล้วอาจารย์ครับจริงๆแล้วพอพูดถึงตรงนี้นะฮะการทําความดีของบุคคลหรือว่าการที่จะไปนั่งอยู่ในหัวใจใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเราหรือว่าใครสักคนหนึ่งเป็นผู้นําเป็นคนที่ จำเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะต้องเป็นที่พึ่งทางใจของคนเนี่ยถ้ามีคุณธรรมอย่างที่อาจารย์พูดนะท้าววิกรมาทิตย์ท่านมีใจเมตตานะครับมีความการุณาแล้วก็มีวิชาการนะครับยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตอนอกีกคือไม่ถูอตัวถืตอตนไม่เย่อหยิ่งจองหองผมก็กลังจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยบางคนอาจจะมีความตั้งใจอย่างเนี้ยแต่พอเหตุการณ์มันเผชิญตรงหน้านะครับตะบาดแตกคนระัอาจารย์ครับ แต่ว่าท้าววิกรามาติสเนี่ยท่านไม่มีความมาตาบาแตกนะฮะค่ะ <c oughs> คือจะดำเนินอย่างนี้มาเรื่อยๆจนทุกคนเนี่ยกล่าวขวัญกล่าวขวัญถึง <c oughs> ไม่มีเสื่อมคลายแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดแต่บางคนที่บอกว่าณขณะที่ตัวเองจะมาเป็นคนที่จะต้องนำคนอื่นดูแลคนอื่นเนี่ยโอ้เราเห็นตอนแรกๆไหนใช่หเลยใช่หรือใช่เลยนะอยู่ๆไปสักพักพูดอะไรนิดมันก็ฟังเราไม่ได้แล้ว โบนอะไรนิดก็ไปขออะไรหน่อยก็ไม่ให้นะครับพอเข้าไปใกล้เที่ยวหลังบอกเองไม่รู้หรอกข้าเป็นใครเองมาทานี้ได้ยังไงคือเหลืองอ น, นะนะฮะแต่นี่คีตาศิลปินเนี่ยเขไม่ได้พูดอย่างนี้ทั้งหมดนะแต่ว่าเขาพูดมาคําเดียวเลยว่าที่ไม่เสมอพระเจ้าพิกรละมาทิติเนี่ยนอกจากไม่ยืด ห, หินจองหองแล้วเนี่ยโรงยอมสละแม้กระทั่งพระชนชีพโดยไม่มีความอาลัยด้วยนะคะคือชีวิตพอได้ฟังต้อยคำเรื่องนี้พระราชาก็ทรงตั้งประไต่จะกระทําพระองค์เป็นตยาขี่า เป็นคนผู้ที่มีจักขายมีนาค่ะก็โปรดให้เชิญโยคีผู้ชํานาญตะบะผู้หนึ่งเข้ามาเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนท่านผู้มีโยค่ะจะมีวิธีใดที่เราจะแสวงหาคุ้มทรัพย์มาจับจ่ายใช้สอยเพื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกวันโดยทรัพย์นั้นไม่มีวันหมดสิ้นครับนี่คือการจัดเริ่มทำเรีนแบบนะทุกยุคทุกสมัยก็มีอย่างนี้แหละค่ะโยคีก็บอกว่าไม่มีทางทําได้หรอกมาบาปีจะไปเอามาจากไหนพระราชาก็ไม่ยอมแพ้ ตัดอย่างหนักแน่นว่าเราน่จะทำทุกอย่างนะเพื่อที่จะบรรลุผลอันนี้ถ้าว่าท่านรู้ก็ขอให้บอกความจริงกับเราเถอะอยกีกันิ่งอื้นะคะแล้วก็บอกเอางี้ถ้าพระองค์ตัดสินพระทัยดังนั้นก็น่าจะลองดูก็ฟังให้ดีนะในวันแรมสิบสี่ข้ามเดือนนี้ขอให้ทรงประกอบการสังเวยแกบ่บรรดานางพูด 6. 4นาะงในนี้เท่ากับ สักลักษณ์ของในกัมพีอี้จริงเลยนะคะไม่รูาเกยวป็นไม่รู้อ่ะนะคะก็เรียว่าส่วประกอบการสังเวยให้กับนางผู้64นางในวันแรกสิบส่ข้ามจันดับมันะคะและหลังจากที่ทรงทําพิธีกรรมนานาประการเป็นขั้นแรกแล้วก็ต้องสวดสดุดีกระถายกย่องนางเหล่านั้นทั้ง64นางแล้วก็เครื่องสังเวย10ประการแล้วก็เมื่อท่งประกอบมหาญาณญาพิธีโดยจบครบถ้วนก็จะต้องกระโดดลงมาในกองไฟในพิธี ถ้ากระทำได้ดังนี้แล้วก็จะทำให้หนางผู้ทั้งหลายมีความพอใจช่วยชุบชีวิตของพระองค์ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะให้พรตามที่พระองค์อยากจะได้รก็คือต้องฆ่าตัวเองไปแล้วแหละกล้าทําไหมล่ะตลา ด, ลาลดชาได้ฟังก็เออเห็นวนทางตลอดปลอดลงก็ทรงปฏิบัติตามที่โยคีแนะนำทุวประการหลังจากนั้นเมื่อยัญญะพิธีจบลงก็ทรงกระโดดลงสู่ลุมไฟไม่ได้อะไรกิดสังขาร คณะพูดมีความพอใจในการเสียสละของพระราชาก็ไล่มนชุบชีวิตพระราชาขึ้นมาใหม่และกล่าวว่าเอาละ่ะอยากได้อะไรก็้ก็จะค่อพอละ่ะครับพระราชาก็บอกว่ า, าพระแม่เจ้าทั้งหลายข้าเจ้าขอให้ตุ่มใบใหญ่เจ็ดใบไวในวังของข้าพเจ้าเลยเต็มไปด้วยก้อนทองอันบริสุทธิ์ที่ข้าพเจ้าจะบริจาคให้ผู้อยากไร้ทุกวันทุกวันโดยทองนั้นไม่มีวันพร่องเลยครับคณะนางพูดได้ฟังก็กล่าวว่าขอให้พรนี้สำเร็จผลเถิด พระองค์จะได้สิ่งที่ต้องการตามความปรารถนาเพียงแต่ว่าพราะองค์จะต้องสังเวยตัวเองในกองไฟทุกๆวันเท่านั้นจะทําได้หรือเปล่าครับเอาด่าจะรับพราะราชดีหลังจากนั้นพระราชาก็าปฏิ บ, บัติตามนี้ทุกวันเลยกล่าวถึงพระเจ้าวิกรออามาริตย์วันหนึ่งมีผู้กราบทูลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสงฆ์ทราบว่ า, เ, าเรื่องพรกษัตริย์องค์นี้อยากที่จะทําแบบพระราชาพราะองค์ก็เสด็จไปเลยก็กระทำการบวงสรวงสังเวยแกนางผู้ทั้งหมด14นาง เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็กระโดดลงไปในกองไฟอีกเหมือนกันนางพูดก็บอกโอ้วันนี้เนี่ยเนื้อมนุษย์ที่เราได้กินช่างหวานอร่อยกว่าครั้งใดๆหัวใจของมรุฑนี่บรุฑนี่ก็สะอาดบริสุทธิ์ก่าทุกคนเลยก็เป็นใครกันนะก็ไล่มนชุดชีวิตมาแล้วก็ถามว่ามหาวีระคือพวกราชาบท่านคือใครมีความปรารถนาอะไรจริงสังเวยชีวิตแก่เราเช่นนี้ ร, ราชาพิกรณมาธิตย์ก็ตอบว่า เราสละชีวิตสังเวยตนเองเพราะต้องการจะช่วยผู้อื่นเป็นสุขนางพูดก็ถามว่าอ่ะขอพอรมาพระราชาก็ตอบด้วยความสงบสงเสงี่ยมอ่อนน้อมว่าถ้าท่านยินดีด้วยตะบะ ก, กรรมของข้าแล้วขอให้เมตตาช่วยให้พระราชาผู้เสียสละพระองค์เองทุกวันนั้นจงพ้นทุกทรมานจากการเผาไหม้ตนเองด้วยเถิดแต่ว่าก็ขอให้ตุ่มนั้งเจ็ดใบของพระองค์จงเต็มอยู่เสมอไม่มีวันบกพร่องเลย มาขอให้อีกมาช่วยอืครับนางผู้ทั้งหลายโอ้ก็ไม่มีใครถึงขนาดนี้ก็ว่าพระราชาไม่เรียนแบบแล้วก็ทําดีแล้วเหนือฟ้ามีฟ้าพระคุณมากกว่ายังทําอีกยังขอให้อีกคนะคะล้วขอให้ทองคามาเต็มด้วยกระเจ้าวิกรลมาทิตย์เมื่อช่วยพระราชาผู้นั้นแล้วก็เสด็จเกลืนสู่พนครอุชยินีด้วยความเบิกบานพระทัยที่จาระคดิทรงบาเพ็ญนั้นถึงพร้อมแล้วใช่ถึงอุกฤษแล้วค่ะ ก็ให้คนอื่นจริงๆไม่ได้เอาให้เป็นตัวเองเลยครับกษริย์ดปูชาฟังตุกตาตัวนี้เล่าแล้วไม่ตอบค่ะขึ้นตัวที่18ทันทีทำได้ครับเอาละครับแม่ฟังแล้วก็ชื่นใจจริงๆความดีนั้นฟังดูแล้วต้องใช้ความตั้งใจใช้ความเพียรอย่างนี้ง